โดยส่วนมากนะถ้าดูตามลำดับของเอกสารที่แจกไปเนี่ยนะจะเห็นพระธรรมที่ท่านภาษาริบทเรียบเรียงนั้นเป็นไปตามขั้นตอนจริงๆคือเป็นไปตามขั้นตอนลองแปะ ด, ดูตั้งแต่ต้นๆดูนะให้เห็นความเป็่ยนไปโดยลำดับนับตั้งแต่ธรรมที่ควรรู้ยิ่งนนะในหน้าสาม ว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยมีอะไรบ้างใช่หมถ้าแสดงตามถ้าสุตระสูตรอย่างข้อสองเนี่ยเป็นการยกข้อความมาจากถ้าสุตระสูตรมาเลยท่านถ้าใครอยากดูข้อความพิสดารก็ดูได้ในถ้าสุตระสูตรข้อสองนะนั้นปัญญาที่ทรงจำธรรม ท, ที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะนี้ควรรู้ยิ่งนะปัญญาที่รู้อย่างนี้แหละเรียกว่าสุตตาะนัยญาณ นี่การรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยซึ่งทำที่ควรรู้ยิ่งสามารถแบ่งประเภทได้เป็นหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสมหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเจ็ดหมวดแปดหมวดเ้าหมวดสิบเนี่ยนะท่านทมาหมวดหนึ่งควรรู้ยิ่งก็คือสัพเพสตาหารติติกาสาตร์ทั้งปวงลำรงอยู่ด้วยอาหารทำสองที่ควรรู้ยิ่งคือธาตุสองสังฆะธาตุอสังฆะธาตุธาตุสามที่ควรรู้ยิ่งก็กรรมาธาตุเป็นต้น ทำสี่ที่ควรรู้ยิ่งคืออริยศาสตร์สี่ทำห้าที่ควรรู้ยิ่งคือวิมุตตายตนะหมายคือว่าอายตนะตัวนั้นแปลว่าเหตุเหตุแห่งวิมุตต้าอนุตริยะหกก็คือเรียกว่าสุดยอดมันก็คือสูอสงสุดหกประการนิทส า, าวาถุจเจ็ดก็คือเหตุที่ไม่ทําให้ปฏิสมที่ต่อไปอภิพายตนะแปดอภิพายตนะแปดก็คือฌานที่ครอบงำมันนะ ส่วนอนุปภาพ ว, วิหาร9ก้าก็คือธรรมะเครื่องอยู่โดยลำดับนิชระวัตถุสิบก็คือเหตุกาจัดอกุศลทีนี้ส่วนข้อสามเป็นการยกเอาพระธรรมตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะ คือพระผู้มีพระภาคาตรัสว่าจากักโขควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจกักผูวิญญาณควรรู้ยิ่งจกักผูสัมผัสควรรู้ยิ่งแม้เวทนาสามที่เกิดจากจักผู้สัมผัสก็ควรรู้ยิ่งตรงนี้เป็นพุทธพจน์เพรนก็ยกปิยรูปสาตรูปตามพุทธพจน์มาแสดงเนี่ยนะในข้อสามนั้นเป็นการยกพุทธพจน์มาจากที่อื่นมากล่าวส่วนข้อสี่เป็นต้นนั้นก็ภาษาอริบุตรท่านวางมาติกาเนี่ยนะเป็นการวางมาติกาขันห้า แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการแสดงปิยรูปสารูปทั้งหกสิบว่าเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งนะปิยรูปสารูปปิยรูปสาตรูปนั้นเป็นช้อยคําที่ใช้มากในสัจจะนิเทศสัจจะนิเทศทั้งสมุทยสัจจะนิเทศกับนิโรธสัจจะนิเทศเช่นตัณหาจะเกิดเกิดที่ไหนก็ที่จะขู่เป็นต้นส่วนนิโรธสัจจะนิเทศล่ะตัณหาถ้าจะดับดับที่ไหนก็ที่จะขู่เป็นต้น ธรรมะปิยรูปสารูปหกสในข้อสี่นั้นเป็นการยกพระพุทธพจน์ตามที่อื่นๆมาแสดงเช่นในสัจจนิเทศคือสมุทยสัจจะนิเทศกับนิโรธสัจจนิเทศส่วนข้อที่เหลือก็เป็นการยกวัตถุที่ควรรู้ยิ่งควรทำปริญญาไม่ว่าจะเป็นธาตุหกกระสินสิ์อาการสาสิบสองอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสอง ธาสามพพเก้าหรือสรุปอีกในหนึ่งเรียกว่าพสิบสองชานสี่อ ป, ปมัญญาสี่อรูปสมาบัต ส, สี่และปฏิจจสมุปบาทธรรมะเหล่านี้ถือว่าเป็นวัตถุที่ควรเข้าเอามาวิจัยมาทำปริญญามาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแต่ถ้าคนที่ศึกษาธรรมะโดยถือเอาหลักเรียกว่าย่อเป็นขยายเป็นเนะี่ย ธรรมะเหล่านี้เนี่ยมันก็คือจิตเจตสิกกับรูปเพราะสภาวะธรรมในโลกเนี่ยมีเท่าไหร่ทบั ว, วนี้ครั้ ง, งสภาวะธรรมในโลกเจ็ดสิบเอ็ดเพราะว่าตัวที่เจ็ดสิบสองไม่เกี่ยวกับโลกอนิพพานไม่เกี่ยวกับโลก ะ, นะะเมื่อกี้บอกว่าสภาวะธรรมในโลกมีทั้งหมดเท่าไหร่บอกมีเจ็ดสิบเอ็ดนะนิพพานไม่เกี่ยวกับโลกนี่พลโลก เมื่อเราแยกสภาวะธรรมอันนั้นได้ก็มาดูวมีการแสดงโดยปริยายต่างๆโดยปริยายแห่งขันบ้างธาตุมั่งอเยตนะบ้า ง, าางเป็นต้นเนี่ยนะก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองก็แสดงโดยวิธีการต่างๆนั่นเองทีนี้ในที่กล่าวเนี่ยเป็นการพูดแบบคนที่มีปฏิสัมพิทาว่าผู้ที่มีปฏิสัมพิทานั้นเขามีความรู้ความเข้าใจเขาสามารถเอาเรื่องเดียวมาคิดได้อย่างกว้างขวางเลย ลึกซึ้งประดุดแม่ครัวผู้ฉลาดเห็นก็ผักมีอยู่เท่านั้นแต่ว่าทํากับข้าวได้เต็มโต๊ะไปหมดเลยนะแม่ครัวที่ไม่เป็นนะผักลวกกับลวกผักมีสองอย่างเนี่ยนะก็ <c oughs> เป็นอยู่ไม่กี่อย่างนะได้อะไรมาก็ผักต้มต้มผักก็มีอยู่เท่านั้นนะก็เป็นอยู่เท่านั้นจริงๆบางคนนี่ไม่เป็นเลยแต่อย่างผู้ได้ปฏิสัมพิทาก็เหมือนกับแม่ครัวผู้ฉลาดน่ยนะ ก็ทําอะไรก็น่ารับประทานไปหมดมีอาหารอยู่ไม่กี่อย่างนะตัววัตถุดิบจริงๆนะแต่ปรุงอาหารได้สารพัดเนี่ยนะก็สามารถที่จะบริโภคได้อย่างอร่อยผู้ที่ได้ปฏิสัมพิทาก็ลักษณะเดียวกันสามารถที่จะกล่าวธรรมได้อย่างวิจิฉพิสดารจนคนไม่มีปฏิสัมพิทาฟังและหมึนไปหมดเลยส่วนในหน้าแปดข้อสิบที่กล่าวถึงว่าธรรมที่ควรรู้ยิ่งตามสภาวะจริงแท้ก็คืออริยสัจใช่ไหม อริยสัจนั้นสามารถมาจำแนกโดยปริยายต่างๆก็ได้ทุกสมุทัยนิโรธมรรตัวทุกเนี่ยมาขยายโดยต่างๆได้ฉั้นอริยสัจสี่เนี่ยถ้ามากล่าวปริยายตามหน้าสิเอ่อขออภยัยข้อสิบเนี่ยนะเท่ากับได้เท่าไหร่ได้แปดร้อยแปดเป็นทุกขอริยสัจสองร้อยหนึ่งสมุทัยอริยสัจสองร้อยหนึ่งนิโรธอริยสัจสองร้อยหนึ่งมรรค อริยสัตมนี้อีกสองร้อยหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่นะแปดร้อยสี่กับตัวอริยสัตต์อีกเป็นแปดร้อยแปดนั่นนะทุกทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธถามำนีมีปฏิปทาแต่ถือเอาตัวทุกเป็นหลักเนี่ยทุกเนี่ยขยายตัวทุกนี่เป็นสองร้อยหนึ่งนนะทุกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปิยโรคสาตรูปเป็นต้นพวกนี้เป็นทุกขสัตว์ทั้งนั้นเลยนั่นะแม้แต่ตันหาก็เป็นทุกขสัตว์ ตันหาก็เป็นทุกข์สัตย์ตรงนี้นะอย่างตันหาเนี่ยตัวของเขาสภาวะของเขาเป็นตัวที่นําเกิดในภพใหม่ใช่ไหมถือเอาตัวที่นําเกิดในภพใหม่เรียกว่าสมุทัยสัตว์ทั้นตันหาที่นําเกิดในภพใหม่เนี่ยถ้าเรากระหารมันก็ไม่นําเกิดในภพใหม่แต่ถ้าทุกอันนี้ที่เราทั้งหลายรับอยู่ก็ถือว่าเป็นตันหาในภพเก่า ทุกที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยถือว่าตัญหาในภพเกา่าท่านปัญหาก็ยังปัญหาที่เป็นเป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นทุกขศัสตร์อยู่ประดุดผลไม้ที่อยู่บนต้นที่เม็ดมันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะถ้าตัดต้นซะเม็ดเนี่ยเฉาตายถ้าไม่ตัดต้นนะให้ต้นมันตายเองแล้วตกแล้วงอกขึ้น นันตันหาก็ลักษณะเหมือนกันนั้นตันหานั้นถ้ามองแบบผู้ที่จะประหารนั้นตันหาเป็นทุกขสัตว์แต่ถ้ามองแบบคนจำนนต์ต่อทุกนั้นตันหาใหม่เป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์แล้วแต่จะยอมให้เป็นเหตุหรือไม่ยอมนั่นนะนันทุกขสัตว์นั้นจะแนกไปแล้วเป็นสอง้อหนึ่งสมุทัยสัตว์ก็2 0ง้อยหนึ่งนิโรสรัจจะก็สองอหนึ่ง มัคสัตจะก็สองร้อยหนึ่งสองร้อยหนึ่งคูณมัคแปดคูณมัคสี่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ในบรรดาอริยสัพน์นั้นผู้ที่จะตรัสรู้ตรัสรู้ด้วยกิจใช่ไหมทุกก็ต้องตรัสรู้ด้วยปริญญาสมุในสมุทัยก็ตรัสรู้ด้วยปหานะนิโรธก็ตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้งมัคก็ตรัสรู้ด้วยภาวนาด้วยการเจริญทั้งสองร้อยหนึ่งก็ต้องมีกิจของเขาของเขาไปจะต้องมาทํากิจ อันในรอบที่สองนั้นเป็นการแสดงแบบผู้ที่ทํากิจในอริยสัจพอ ร, รอบที่สาม<ต>ก็พูดถึงผู้ที่ตรัสรู้ว่าเขาตรัสรู้ยังไงตรัสรู้ด้วยการแข่งตลอดนะตรัสรู้ด้วยการละตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้งตรัสรู้ด้วยการเจริญปฏิเวทกับอภิสมัยนี่อันเดียวกันนะไม่ไม่ต่างกันเพราะว่าอภิสมัยแปลว่าการตรัสรู้ปฏิเวทก็แปลว่าการ ตรัสรู้เนี่ยผู้ที่สามารถตรัสรู้อริยสัจเหล่านี้ได้ก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้เี๋ยวก็มาดูวิธีการแสดงปริยายอริยสัจเพิ่ ม, เ ต, มเติมอย่างในข้อสิบสามกล่าวถึงทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขความดับเหตุให้เกิดทุกความดับฉันทราฆะในทุก์อาัศาธาแห่งทุกโทษแห่งทุกแล้วก็อุบายเครื่องสลัดออกจากทุกเนี่ย อันนี้ก็เป็นการกล่าวอริยสัจเพิ่มเติมขยายเพิ่มในคำว่าขยายคำนิโรธเนี่ยเพิ่มความดับเหตุให้เกิดทุกข์ความดับชั้นราคาในทุกเนี่ยนะความดับทุกข์ความดับเหตุให้เกิดทุกข์ความดับชันธราคาในทุกขแล้วก็อุบายเครื่องสลัดออกจากทุกข์อันนี้เป็นการแสดงนิโรธสัจจะสี่สีน่นัยสี่ปริยายด้วยกันสมูทัยนี่แสดงเป็นสองปริยายใช่หมคือ เหตุให้เกิดทุกข์กับอัศธาแห่งทุกข์ส่วนทุกข์นี้แสดงสองอย่างคือทุกข์กับโทษแห่งทุกข์อันนี้คือทุกข์ละเพราะฉะนั้นว่าอหม่นะทุกข์กับโทษแห่งทุกข์อันนี้คือทุกขสัจเหตุให้เกิดทุกข์กับอัศธาแห่งทุกข์คือสมุทัยสัจจะความดับทุกข์ความดับเหตุให้เกิดทุกข์ดับฉันทะราค่าในทุกขอุบายเครื่องสลัดออกจากทุกข์อันนี้เป็น นิโรสัจจะก็เป็นการแสดงสัจจะให้กว้างขวางพิสดารขึ้นส่วนในข้อที่สิบสี่เนี่ยนะข้อสิบสี่ก็เป็นการแสดงตามแนวสัจธรรมฐานสูตรเนี่ยนะแสดงตามฐานะเจ็ดคือทุกทุกขสมุทยัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธาคาไมนีปฏิปทาอสาศาทาอาทีนวะและนิสสณะแห่งทุกเนี่ยนะก็เอาธรรมะสองร้อยหนึ่งเนี่ยมาแสดงโดย สัตตถฐานาสูตรมันถ้าผู้ที่ได้สัตตถฐานาสูตรอยู่แล้วก็สามารถที่จะรู้โดยปริยายต่างๆอย่างกว้างขวางทีนี้ในธรรมะที่ก่อนหน้านี้มาไม่ค่อยขยายเลยคืออะไรคือมรรคสัจจะเนี่ยนะทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาทีนี้ก็มาบอกว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาจะเกิดได้อย่างไรทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาต้องเกิดโดยอนุปัสนาเจ็ดชีนนำ ถ้าอนุปัสนาเจ็ดไม่เกิดก่อนอริยมรรคเกิดก่อนเกิดตามได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในข้อสิบห้าจึงเป็นการแสดงข้อปฏิบัติว่าต้องตจเจริญอนุปัสนาเจ็ดในธรรมะสองร้อยหนึ่งนะอันนั้นแหละทางเพื่อความพ้นทุกข์เห็นไหมทางแห่งความดับทุกข์ถ้าไม่ตามเจริญถ้าไม่เจริญอนุปัสนาเจ็ดตามธรรมะสองร้อยหนึ่งคิดหรือว่าจะถอนฉันทราคะใน ทำเหล่านั้นได้ถ้าไม่เจริญอนุปัสนาเจตนจายจักขู่คิดหรือว่าจะละฉันทราค่าในจักขู่ได้ถ้าถ้าไม่เจริญอนุปัสนาเจตนโสตะคิดหรือจะตัดฉันทราค่าในโสตะได้ในคานะชิวหาตายะและมโนได้ไม่ได้หรอกเพราะอนุปัสนาเจตนี้สําคัญมากเนี่ยนะเพราะอนุปัสนาเจตมีแก่บุคคลใดก็เรียกว่าอนุปัสสี ถ้าอนุปัสนาเจ็ดมีรูปเป็นอารมณ์เรียกว่ากายานุปัสนาถ้าอนุปัสนาเจ็ดมีเวทนาเป็นอารมณ์เรียกว่าเวทนานุปัสนาถ้ามีจิตเป็นอารมณ์เรียกว่าจิตตานุปัสนาถ้ามีธรรมะเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมานุปัสนาเนี่ยนะอันอ น, นุปัสนาเจ็ดนั้นมีกายเวทนาจิตธรรมหรือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเป็นอารมณ์นี่แหละเรียกว่า สติปัฏฐานตัวอนุปัสนาเจ็นี่แหละเรียกว่าอนุสติปัฏฐานหรืออนุปัสนาเนี่ยนะ